เรียนตามแบบรบนอกแบบตามที่ได้ทราบเข่ามีพระนักปริยัตบางรูปท่านค้นคว้าตามตำราเพราะได้เรียนมามากอาตมาว่าทดลองดูเถอะการกลางแบบกางตำราธรรมเนี่ยถึงเวลาเรียนตามแบบแต่เวลารบรบนอกแบบไปรบตามแบบมันสู้ข้าสึกไม่ไหวถ้าเอากันจริงจังแล้ว ต้องรบนอกแบบเรื่องมันเป็นอย่างนั้นตารานั้นท่านทำไว้พอเป็นตัวอย่างเท่านั้นบางทีอาจทำให้เสียสติก็ได้เพราะพูดไปตามสัญญาสังขารท่านไม่เข้าใจว่าสังขารมันปรุงแต่งทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ลงไปพื้นบาดานโนนไปพบปากพญานาคเวลาขึ้นมาก็พูดกับพญานาคพูดภาษาพญานาคพวกเราไปฟัง มันไม่ใช่ภาษาพวกเรามันก็เป็นบ้าเท่านั้นเองครูบาอาจารย์ท่านไม่ให้ทําอย่างนั้นเรานึกว่าจะดิบจะดีมันไม่ใช่อย่างนั้นที่ท่านพาทํานี้มีแต่ส่วนละส่วนถอนเรื่องทิฐิมานะเรื่องเนื้อเรื่องตัวทั้งนั้นอัตมาว่าการปฏิบัตินี้ก็ยากอยู่ถึงอย่างไรก็อย่าทิ้งครูทิ้งอาจารย์ เรื่องจิตเรื่องสมาธินี่หลงมากจริงๆเพราะสิ่งที่มีควรจะเป็นไปได้แต่มันเป็นขึ้นมาได้เราจะว่าอย่างไรอัตมาก็ระวังตัวเองเสมอ